มหากุศลกับมหากิริยาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรโดยทั่วๆวไปแล้วโดยสภาวะนะในความเป็นโสมนัสอุเบขาไม่ต่างกันในความเป็นยาณวิปยุตยาณสัมปยุตไม่ต่างกันในความเป็นอาสังคาริก ส, สังคาริกไม่ต่างกันในความเป็นอธิบดีเป็นต้นก็ไม่ต่างกัน แต่ต่างกันตรงที่ว่ามหากิริยาการสัมปยุทธ์มีอรหัตมรักเป็นปัจจัยถ้ามหากุศลทั่วๆไปนะมอีอย่างปุตุชนทั่วๆไปไม่มีมรักผลใดๆเลยเป็นปัจจัยใช่ไหมพระโสดาบันก็มหากุศลโสดาปฏิมรักษของพระโสดาบันก็เป็นปัจจัยแก่มหากุศลสะกะทาคามีมรักษอนาคามีมรักก็เป็นปัจจัยแก่มหากุศล แต่อัตตมักเนี่ยจะเป็นปัจจัยเฉพาะแก่มหากิริยาจริงๆบางท่านบอกว่าก็มหากุศลนั่นแหละแต่เกิดในสันดานของพระ้าหันเลยเรียกว่ามหากิริยาธรรมะที่เกิดในสันดานของพระ้าหันคือเพราะว่าพระ้าหันไม่มีฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้เลยเห็นไหมอย่างที่กล่าวว่าตถาคตรู้แต่ตถาคตไม่ได้เพลิดเพลินใน ในความรู้ะนะพระพุทธเจ้ารู้มีปัญญาเหล่านี้แต่ไม่มีฉันทราคะในปัญญาเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้ใช้ประโยชน์ปัญญาอย่างบริบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีฉันทราคะในปัญญาเลยอนั้นมหากิริยาเนี่ยเขาถือว่าสําหรับเป็นของพระอาหารหันต์ก็ไม่มีฉันทราคะประกอบเลยแต่ก็มีคนที่มีฉันทราคะใน ในมหากิริยาอยู่นะบุคคลอื่นมีฉันทราคะในจิตของพระอรหันต์แต่โดยบุคคลเนี่ยท่านไม่มีฉันทราคะในตัวของท่านเลยแต่บุคคลอย่างอื่นนี้ไปมีฉันทราคะในท่านได้อะ น, นะบอโอ้พระพุทธเจ้าใจดีเนะชอบพระพุทธเจ้า่างเ้นะเช่นชอบในความใจดีชอบในความมีเมตตาของพระองค์ะนะคนอื่นชอบแต่พระองค์ไม่ได้ติดในในตัวพระองค์เลย มีอยู่สูตรหนึ่งก็บอกว่าถ้ามีบุคคลอื่นมาเคารพสักการะพระองค์เนี่ยพระองค์จะคิดยังไงพระองค์ก็บอกว่าเข้ามากราบมาสักการะในสิ่งที่พระองค์ทําปริญญาเสร็จแล้วนะคือพระองค์เนี่ยรอบรู้หมดแล้วตัดฉันทราค่าในสิ่งนั้นเพราะที่เขามาเคารพสักการะก็คือเคารพสักการะในสิ่งที่พระองค์ตัดฉันทราค่าหมดแล้วด้วยการรอบรู้สิ่งเหล่านั้นบริบูรณ์เพรา ะ, ะนั่นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจึงเป็นนาบุญของโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งมวลนั่นนะงั้นการศึกษาพิธรรมัตสังกะหะในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ทําให้เห็นปฏิสนธิจิตของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งอย่างต่อไปก็คือรู้ถึงปฏิสนธิจิตของพผ้าหันทั่วไปเพราะว่าผู้ที่เป็นพระ้าหันที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะหรือเป็นพระ้าหัน์ที่เป็นเทวดากามาวจร หรือผู้ที่บรรลุมรรคผลหรือผู้ที่ได้ฌานทั้งหลายจะต้องปฏิสนธิด้วยติเหตุเนี่ยนะผู้ที่ทวีเหตุก็ได้ทำบุญให้ทานไปแต่ว่าน้อยมากเพราะว่าพวกทวีเหตุเวลาเกิดมาเนี่ยจะ ก, ก็บอกว่ากรรมใดก็ตามถ้าทวีเหตุนาเกิดจะบกพร่องไปทุกอย่างระหว่างนั้นเนี่ยนะท่านบออุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับว่ารูปที่นายช่างผู้ฉลาดวาด จะเป็นรูปที่ที่ดีฉันใดกรรมใดที่ติเหตุกะนำเกิดเอาเข้าไปวิบากใดที่ติเหตุกะนำเกิดวิบากนั้นจะเป็นวิบากที่ดีถ้าทวิเหตุกะนำเกิดเขาบอกว่าตะกูนก็ไม่ดีผิวก็ไม่ดีอาหารก็ไม่ดีอะไรจะไม่ดีทั้งหมดเลยนะถ้าทวิเหตุนำเกิดเหมนกนถ้าติเหตุนำเกิดโดยมากจะจะดีันติเหตุกะนั้นที่เป็นผลของ มหากุศลนี่มหากุศลก็อาศัยทานศีลและภาวนานเนี่ยเป็นเป็นเหตุปัจจัยทีนี้จากการศึกษานี่ทำให้เห็นว่าตัวเชื่อมที่สำคัญที่สุดในการปฏิสนธิคือเนี่ยอกกุศละเหตุเนี่ยนะโลภะนี่แก้ด้วยอะไรสมรถะโมหะแก้ด้วยวิปัสนาหรือวิ ช, ชาเนี่ยนะ สมถะและวิปัสนาที่บริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคถ้าทํากิจอันนี้ไม่ได้กิจอริยมรรคไม่ได้อันนี้ก็ยังก็ยังนําเกิดธรรมดามั้นก็คงเห็นชัดนะว่าพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาคือคําสอนที่กล่าวด้วยไตรสิกขาคือศีลสมถะวิปัสนาหรือย่อๆว่าสมถะวิปัสนาที่เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคเนี่ยนะนั่นเป็นพรหมจรรย์ใน พระศาสนานี้เพราะว่าผู้ที่บรรลุอริยมรรคแล้วก็สามารถที่จะทําให้พ้นจากกองทุกข์ขั้งมวลได้นะนะอย่างเช่นโซดาปฏิมรรคนี้ก็มีคุณอย่างมากก็บอกว่าทุกขของปุถุชนทั่วๆไปก็เท่ากับอะไรน้ําทะเลใช่ไหมทุกขของพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดเดี๋ยนะเห็นทะเลก็นึกได้เลยว่าโอ้โหเรานี่ยังเหลือทุกเขเท่าทะเลนะพระโสดาบันนี้ทุกขของท่านเหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดเท่านั้นเอง ถ้าแผ่นดินนี้ก็บอกว่าทุกของปุถุชนเนี่ยเท่าเหลือเท่าแผ่นดินทุกของพระโสดาบันเท่ากับมเมล็ดพันธุกาดหรือมเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดน่นนะแล้วก็น้อยมากอันนี้คุณของอริยมรรคพรานพระพุทธเจ้านี้เกิดขึ้นมาในโลกจึงเป็นประโยชน์จึงเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่สรรพสัตว์จริงๆเขานาทุกทั้งเกิดวัตทั้งมวลออกให้ให้สรรพสัตว์นะพระองค์จึงเป็นคนที่ที่เลิศบางแห่งอธิบายว่า การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้เดียวเนี่ยอริยมรรคทั้งสี่เนี่ยนะเกิดอย่างหาประมาณไม่ได้ใช่ไหมโสดาปฏิมรรคเกิดหาประมาณไม่ได้สกาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคเกิดหาประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่บรรลุมรรคผลในพระพุทธศาสนาเนี่ยนับได้ไหมว่าเท่าไหร่ก็ น, นับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมากนะเป็นปัจจัยแก่ที่สําคัญแก่วิชาสามปฏิสามปิทาสีและอภนะินญาหกนะอันนี้ด้วยพุท ธ, ธาไอ อนุภาพของมหาวิบาก ท, ที่ดวงที่หนึ่งนำเกิดเนี่ยนะก็มีคุณมากนี่ก็เท่าที่พูดมาเนี่ยนะเน้นอธิบายอะไรรู้ไหมมหากิริยาว่าเนี่ยมหากิริยาแปดนี่มีอรหัตตมรรคเป็นปัจจัยนะหรือถ้าจะพิจารณาเรื่องมหากิริยาอีกชาติหนึ่งใครที่ศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะหรือพุทธประวัติเนี่ย หลังจากตรัสรู้มาเนี่ยชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยดำเนินด้วยมหากิริยาจะไม่มีอกุศลแทรกเลยนะชีวิตเว้นในขณะเข้าชานเสียเว้นขณะเข้าพระสมมาบัติเป็นต้นเสียขณะอื่นๆนี่ชื่อว่าใช้ชีวิตด้วยมหากิริยาหมดเลยเนี่ยนะเช่นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมเนี่ยนะก็เดินด้วยมหากิริยาขณะที่แสดงธรรมทั้งหมดนี้มหากิริยานะแสดงธรรม เป็นปกตอย่างเดียวป ก, ปกตูปานิสยาปัจจัยอย่างเดียวที่ที่สำคัญมากนะคืออย่างทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิริยะขันติสาจาัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยที่บําเพ็ญทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่อรหัตตมรักอรหัตตมรักเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่สําคัญแก่สัพพัญยุตยาน เพราะฉะนั้นต้องการอรหัตตมรรคก็เท่ากับต้องการสัพพัญยุตยานถ้าต้องการสัพพัญยุตยานก็ต้องอาศัยอรหัตตมรรคแต่เป็นอรหัตตมรรคที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สาธารณะที่ไม่สาธารณะนี่หมายคาอว่าอรหัตตมรรคแก่ผู้อื่นบุคคลอื่นเป็นปัจจัยแก่สุขาวิปสัสสกบางท่านเป็นปัจจัยแก่วิชาสามบางท่านปฏิสัมพิทาสี่บางท่านวิชาอภิญญาหกนะเนี่นนะ ส่วนของพระองค์เนี่ยเป็นปัจจัยแก่พุทธคุณทั้งมวลอรหัตตมรักอา น, นั้นนะเป็นปัจจัยแก่พระพุทธคุณทุกอย่างพระยานทุกชนิดเนี่ยนะพระยานทุกชนิดเป็นแล้วก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญแห่งการตรัสรู้ธรรมแห่งสรรพสัตทั้งหลายนีนะ ท, ท, ที่ที่เป็นเวไนทั้งหลายนะโดยเฉพาะที่เป็นเวไนคําว่าเวไนเนี่ยมาจากวินัยนั่นแหละคือพอผู้ที่พอจะมีวิไนสิบประการได้บ้างนะ คือเป็นปัจจัยแก่กลุ่มนั้นไอ้กลุ่มที่ไม่ได้มีเวไนหรือวินัยเนี่ยนะคือฝึกไม่ได้ฝึกด้วยวินัยสิบประการไม่ได้พวกนี้สัพพัญยุตยานไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นปัจจัยแก่พวกนั้นเลยแต่เป็นปัจจัยแก่พวกที่จะมีวินัยสิบประการเนี่ยนะได้อา ร, รมณะอย่างนดีย บางท่านอาจจะฝักฝ่ายแบบนั้นก็เป็นอารามณูไปคือมีศรัทธาแบบนั้นอย่างแรงกล้ามากก็เป็นอารามณูอารามณูได้แต่ต้องดูคําว่าอารามณูนี่คือส่วนไหนด้วย <Wow. S 1> เช่นมีศรัทธาในสัพพัญยุตยานอย่างซึ้งเนี่ยนยพลงนี้ก็เป็นด้วยอําอนาจอารามณูแต่ถ้ารับรู้เฉยๆก็เป็นอารามณนะคือถ้าอารามณูนั้นเปนว่าอารมณ์ที่ มีกําลังมากที่ที่บุคคล น, นั้นคิดด้วยความฝักใฝ่สนใจหรือผูกพันใจรักด้วยศรัทธาเป็นต้นน่ะอย่างเต็มที่นั่นเองมั้นพวกที่จะเป็นอา ร, รัมมานูก็คือจิตนั้นโดยมากจะเป็นพวกฉันทาธิปฏิเนี่ยนะจิตจะเป็นจิตที่เป็นปัจจยุบันจะเป็นกลุ่มฉันทาธิปติเนี่ยนะมีศรัทธาเป็นต้นนําถ้าเป็นกุศลก็มีศรัทธานําถ้าอากุศลก็มีโลภานํา ไปยามยังไงหรือไม่ต้องพยายามมันไม่ได้อยู่แล้ ว, วคือทีวิตที่ผ่านมานะเราคงไปไปอะไรมากไม่ได้เพราะมันนำเกิดมาแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าสิเราเกิดมามีหน้าตาแบบนี้แล้วนะก็อย่าไปเดือดร้อนเรื่องสัรลียกรรมอะไรมากมายนักเพราะมันทำได้ไม่เท่าไหร่นะจะหมูกไปเสริมได้คงไม่เท่าไรหร่หรอกลูกตาที่เอียงเอียงก็ทำให้ตรงได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละ ผิวนี่ก็ไม่รู้จะไปย้อมยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ดูก็ไม่รู้จะไปยืดส่วนไหนได้บ้างไงนะคือคือไม่มาก น, นะที่ผ่านมาก็เลยไม่ต้องสนใจในแง่อื่นมากสนใจว่าถ้ายังจะปฏิสนธิใหม่กรรมตัวไหนควรนําปฏิสนธิเนี่ยนะซึ่งถามว่าฝึกได้ไหมทําเหตุได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าทําเหตุได้อยู่แล้วดูก่อนอุบาสกทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจริยาสมจริยาใช่ไหม พึงน้อมว่าขอเราจงเกิดเป็นมนุษย์มหาศาลก็ได้นนะเป็นกษัตริย์มหาศาลก็ได้เป็นครือาบดีมหาศาลก็ได้เป็นพรามมหาศาลก็ได้อันนะเป็นเทวดาชั้นจ่าตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีหรือเกิดในพรหมโลกก็ได้ท้ายที่สุดพระองค์บอกว่าประสงค์ที่จะได้เจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ก็ได้ถ้าถ้าประกอบด้วยธรรมจริยาสมจริยาเนี่ยนะ ถามว่าธรรมจริยธรรมจริยาว่าโดยโย่อๆคืออะไรคือสุจริตสาถ้าประพฤติสุดจริตสามประการได้ก็ก็เป็นอันหวังได้จริงๆแล้วเรื่องในาศาสนาเนี่ยนะถ้าถ้าว่าให้ย่อๆก็คือเรื่องเนี่ยฝึกกายอย่างหนึ่งฝึกวาจาอย่างหนึ่งฝึกใจอย่างหนึ่งทํายังไงกายวาจาใจจะให้เป็นไปกับวินัยสิบประการเ น, กาาานเนี่ยนะให้กายวาจาใจเนี่ยนะเป็นไปกับปหานวินยัยเป็นไปกับ สังวรวินัยเนี่ยนะแล้วอบรมสังวรวินัยปะหานะวินัยนี่ให้บริบูรณ์นี่ยนะนั่นแหละถ้าว่าย่อๆก็คือเท่านั้นเองหรือถ้าย่อไปก่อนนั้นอีกทํายังไงจะฝึกจิตได้อ่ะนั่นแหละย่อไปก่อนนั้นเองนะเหลือจิตอย่างเดียวทําทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใช่ไหมทำยังไงจะฝึกจิตให้เป็นจิตนี้ต้องเป็นไปกับอะไรจริงดีเป็นไปกับคําสอนหรือเป็นไปกับ ไตรสิกขาเนี่ยนะถ้าทำจิตให้เป็นไปกับไตรสิกขาได้นั่นแหละเรียกว่าอบรมศีลสมาธิและปัญญาทีนี้พื้นฐานในการอบรมเหล่านั้นเนี่ยนะคือมหากิริยานี่สำคัญเอาเข้าไมหาวิบากนะสำคัญกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าอาเหตุตุกะปฏิสนธินำเกิดนนไม่รู้จะไปสอนมันว่ายังไงใช่ไหมหมอเขาบอกว่าถ้าจะฝึกสุนัขได้บ้างก็แนะนาให้มันทาบุญยังไงนึคุณหมอกันก่อนว่างไงนะ อสอนสอนสุนักให้ว่ายก่อนงให้ไหว <c oughs> จอมก่อน อ, <c oughs> ออกพระมากา็แล้วก็ไหว้ให้ัลวั น, น, น, นอืมอนะนอะหมอเขามีวิธีฝึกมันก็ทั้งเดรา์ชานะเก่งมากฝึกให้สุนักเป็นกุศลอ่า ง, งั้น <c oughs> อนน้เขามีนะอย่างสุนักที่ที่บำเพ็ญบุญสมัยที่เป็นสุนักเลยอ่ะ แล้วบุญอันนั้นมาปกปักรักษาชีวิตนะทำให้รอดตายตั้งหลายครั้งเนี่ยคือโคสกะเศรษฐีเจ้าของวัดโคสิตารามเนี่ยนะอดีตชาติท่านเนี่ยท่านท่านสองสา 2, 3, มีพัญญาเนี่ยสะเขาชื่อนายโกโตฮาลิกะเนี่ยอดีตชาตินะก็บ้านเมืองมันกันดาลแห้งแล้งก็เลยชวนพัญญาเนี่ยหนีจากเมืองหนึ่งจะไปอีกเมืองหนึ่งมีลูกน้อยอยู่คนหนึ่ง เนี่ยระหว่างอุ้มลูกไปเนี่ยอุ้มไปอุ้มมาเนี่ยนะอาหารมันก็ไม่ค่อยจะพอกินใช่ไหมมันหิวมากอ่ะคิดไปคิดมาเหนื่อยด้วยอุ้มลูกก็ไม่ไหวก็เลยบอกเมียว่าเออนี่เธอถ้าเรายังอยู่นะตั้แต่จะได้ลูกใหม่อยู่แล้วว่างั้นแล้วลูกคนนี้ทิ้งไปเถอะอุ้มไม่ไหวแล้วเหนื่อยละเมียก็บอกโอ้ยทําไม่ได้หรอกว่างั้นเธอรักลูกมากนะสามีว่าอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าทิ้งไปเถอะมันไม่ไหวแล้วนะอุ้มไม่ไหวแล้วบอกถ้าอุ้มไม่ไหวมาจะอุ้มเองอ่ะนะ แม่บ้านก็อาสาอุ้มอุ้มไปอุ้มมาก็เอออุ้มไม่ไหวแล้วเหนื่อยอัดคนช่วยอุ้มทีนะก็อ้าวช่วยกันอุ้มอุ้มไปอุ้มมานะบอกว่าเธอเดินไปก่อนกันกนะให้สัญญาเนี่ยเดินไปก่อนเมียก็เซ่อนะก็เดินไปผัว ก, ก็เดินละละ่าลังทําเป็นช่อให้เมียเนี่ยไปไกลามากแล้วตัวเองก็เอาลูกซุกไว้ใต้ต้นไม้เลยเนี่นยนแตก็วิ่งตามเมียไปนะค่อยๆเดินตามเมียไปนะนอนไปไกลามาก อ้าวลูกไปไหนบอกโอ้ยทิ้งโคนมน้นูนแล้วเห็น ไ, ไหมแกก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้เมียร้องไห้ยายเลยนะขาดลูกไม่ได้ตายแน่ก็ต้องกล้าไปเอาลูกไปถึงเอาลูกตายพอดีเลยนะก็เลยรอดตัวไปก็เลยไม่ต้องอุ้มลูกทีนี้แกก็ไปไปถึงเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์อนะไปถึงก็บ้านที่เขาเลี้ยงโคอะไปถึงบ้านที่เขาเลี้ยงโคเจ้าของบ้านนี้เขาก็เป็นคนที่มีศรัทธาทำบุญกับพระปัจเจกเป็นปกติ วันนั้นเขาก็ทาบุญเนี่ยถวายทานให้กับพระประเจก น, นะหุง ข, าาหข้าวปลายาเต็มเยอะแยะไปหมดข้าปลายาไม่รู้ทำไงคุณนภา เ, นเคยทำทำไงนะคือใช้นมเนี่ยหุงอ่ะนะแล้วก็ใส่น้าตาลกรวดใช้เนยใส่เนี่ ย, ส ย, ยผสมอ่ะ น, นะ ก, ก็ใช้ไม่ใ ช, ไใช้ไม่ใช้น้ำหุงอ่ะนะแต่ใช้นมเนี่ยหุงข้าวแล้วก็ใส่น้าตาลกับใส่เนยใสย่น้ตาลกรวดอ่ะนะกับเนยสยแต่ว่ามีสูตรอื่นๆอีกไม่รู้นะแต่ท่านบอกคร่าวๆแค่นั้นน่ะ เรีย <c oughs> ว่าเข้าปา่ายัดก็หุงวันนั้นเลี้ยงพระแล้วก็เขาทําบุญเลี้ยงพระนะั่นนะอาหารก็เหลือก็เห็นคู่สามีพันยาเนี่ยเดินมาก็เลยอ้าวสงสารก็เล่าเรื่องไปมาให้ฟังอ่ะนะก็บอกอยู่นะี่แหละเหมือนก็ให้อาหารแบ่งอาหารให้กินอาหารสองจานใหญ่ๆเลยให้สามีพันยาไปพันยานี่รักสามีมากว่างั้นเถอะฉันกินน้อยๆก็พอ เนี่ยก็เอาของส่วนตัวเองกินนิดเดียวนะของสา ม, มีเนี่ยเต็มจานไปหมดก็ให้ไปอีกเกือบเต็มจานอีกให้สา ม, มีนะ่ะนะสองจานสา ม, มีก็อดอยากมานานก็เลยซัดเต็มที่นะนะกินอิ่มแป้มากมันก็อืดได้นะชักไม่ย่อยแล้วเพราะไม่ไม่ได้อาหารลงท้องมาหลายวันนะอาหารมันก็ไม่ย่อยทีนี้ระหว่างกินเนี่ยทีนี้ก็นายโคบาลคนนี้ที่มีศรัทธาเนี่ยเขาก็เลี้ยงนางสุนัขไว้ตัวนึง กินปกตินี่เขาจะเป็นคนที่รักหมามากอนะกินข้าวคําก็แบะให้หมานิดนึงอ่ะเนี่ยนะก็กินไปเลี้ยงหมาไปเนี่ยนะไอ้นายโกตูฮาริกานี้มก็เลยคิดว่าวะหมาตัวนี้มันมีบุญไหมไอเรานี่เป็นคนใชเปล่าไม่ค่อยจะพอกินเน่ยนะหมามันยังกินอิ่นนอนหลับดูที่มันกินอร่อยอร่อ ย, ออยนะเราเนี่ยเป็นมนุษย์ยังไม่ได้กินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยเ อ, อหมานี่มันดีคิดแต่เรื่องหมาว่านางหมาตัวนี้มันดีจริงๆเนี่ยนะนึกชอบมากเนี่ยนะโอ้ดี ชื่นชมในสุนัขอ่ะนะของใครมีบ้างใครไปชมหมาไว้บ้างนะออหมาตัวนี้มันมีบุญนะดูสิมันนั่งรถเก่งเลยนะดูสิตรงไหนมันก็ไปกับเจ้าของมันอย่างดีเลยนะชอบแบบนั้นไว้มากอสมปรารถนานะ <c oughs> ทีนี้ตกคืนนั้นเนี่ยไอความที่กินอาหารมากอ่ะนะอาหารเลยไม่ย่อยก็เมีย น, นี่ก็สละหน้าดูเลยนะเมียก็เลยรอดตายไปเพราะไม่กินเยอะอนะส่วนสา ม, มีนี่กินมากตกคืนนั้นตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกสุนัขบ้านนะั้น ไปเป็นลูกของหมาตัวเมียตัวนั้นแหละทีนี้หลังจากนั้นไม่กี่เดือนนะนะมันก็คลอดลูกก็ได้เนี่ยลูกหมาน่ารักอยู่ตัวงทีนี้เมียก็อยู่บ้านนั้นแหละก็ได้ทําบุญกับพระประเจกอยู่ครั้งเดียวได้ทําบุญใส่บาทอยู่ครั้งหนึ่งทีนี้ระหว่างที่ไอ้เจ้าของนี่ก็รักลูกหมาตัวนี้มากพรรักมากก็เวลาไปไปวัดนะนะไปนิมนต์พระประเจกก็จะพาลูกหมาตัวนี้ไปด้วย ทีนี้ก็เริ่มฝึกความเคยชินให้ลูกหมาเนี่ยศรัทธาในพระเนี่ยฝึกวิธีให้หมาเนี่ยนิมนต์พร ะ, ะฝึกวิธีให้นิมนต์พระถ้าวันไหนเขาไม่ว่างนะก็จะส่งหมาไปบอกไปนิมนต์พระมาทีนึงหมามันก็จะไปทำกิริยาแบบที่เจ้านายมันเคยฝึกไว้ทั้งหมดเลยนะก็ไปนิมนต์พระมา่พระวันบางวันเนี่ยพระท่านก็ก็รู้นะท่านก็แลแกแงเดินไปเส้นอื่นนะ หมามันก็ไปขวางทางมันก็เห่าบอกอย่ามาทางนี้นะพระท่านก็เดินไตเรื่อยอย่างเงี้ยหมามันก็ไมายา่ยอมมันก็คาบจีวรดึงมาเลยคาบจีวรบอกต้องมาทางนี้นะถ้าไม่มาตามผ้าก็หลุดอยู่แล้วมันก็ต้องมาตามสุนัขกก น, นะมันมาเนี่ยรักกับพระมากอยู่อย่างเงี้ยนอนตอนหลังพระเนี่ยต้องทําจีวรพระเนี่ยออกพรรษาเขาก็ถวายจีวรให้ท่านท่านก็จัดไปทําจีวรอีกที่หนึ่งท่านก็เลยลาไปท่านก็เหาะไปนะ สุนัขเนี่ยมันมันจากทำใจไม่ได้มันก็เลยตายเนี่ยพอพระรับสายตาไปมันก็ตายตา ย, ตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเขาบอกว่าด้วยบุญที่เห่าพระเอาไว้นะแกพูดกระซิบกระซิบเนี่ยดังเป็นยชนนะไม่ต้องพูดถึงว่าพูดปกติเหมือนกันบางคนเสียงดังมากกันนะ